ปฏิบัติศาสนาคือปฏิบัติตัวเองเพื่อความสงบสุขอย่าไปทำเล่นถ้าทำเล่นจะไม่เห็นผลเพราะกิเลสเกิดขึ้นกับจิตกับใจมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆสามารถที่จะนำพวกเรารับทุกโทษจนมีที่สุด เสีแล้วตายตายแล้วเกิดเพราะกิเลสที่ฝังงน่นอยู่ในหัวใจทังตัวทุกข์ทุกข์ต่างๆเกิดมาจากกิเลสไม่ใช่เกิดมาจากที่อื่นเมื่อเราทําความผ่าความเพียนจะทําเล่นๆพอเป็นพิทีากิเลสมันหนกลัวกิเลสมันห น, นี สุขิเลตไม่ได้จึงเงยือน่ายตายเกิดเดือยมาจนตลอดฉากปัจจุบันเราก็ยังไม่เห็นหลาบว่าความทุกข์ยากลําบากเกิดแก็เจ็บตายเป็นของรายของไม่ดีหาความสุขความสบายความสงบอย่าเย็นไม่ได้ยังยินดีเป็นที่ข้าของสิเลต เดือยมาถ้าหากเราในที่จะได้นาแนสอนตัวเองเห็นเดือการทําความผากความเพียนเป็นของเล่นทําพอเป็นพิธีแล้วก็ไม่มีวันเวลาที่จะเอาชนะที่เหลีได้นี่แต่ทีเหลีดจะขี่หลังนั่งพอเร็วไปดะนั้นการปฏิบัติใจการทําความผากความเพียนต้องทากันอย่างมาขมักเนม่น ทำกันอย่างจริงอย่างจังเพื่อจะขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาเรื่องเฉื่อช้าลามกของใจให้ตกไปเราทํามาระยะเวลายาวนานหลายพันศาบางท่านบางคนแต่บางท่านบางคนก็ไม่กี่พันปศาแต่ถึงอย่างไรก็ดีเรื่องความเป็น ความมีของกิเลสในใจเป็นอย่างไรนั้นควรจะสอบสืบทีนี้พี่เจนาะควรคิดติดตาม ว, าาว่าเรามาทำความเคียรเพื่อกำลัดกิเลสกิเลสเดีตกไปหรือไม่หรือ จ, จิตใจไปเหนือเอยล่อนไปตามสัญญาเราเหมือนก่อนตัวตาที่เจนาะตัวเองอยู่สม่าเสมอไม่อย่างนั้น จะไม่ทันกับเรื่องกิเลสตัญหากิเลสมันเกิดขึ้นได้ทุกการทุกเวลาเหมือว่าเราจะนัง่งจะนอนจะยืนจะเดนินมันเกิดขึ้นได้แต่ความเพียรท่องใจเป็นอย่างไรเวลาเข้าที่ภาวนากว่าทาท่าเพียงนิดๆหน่อยๆเวลาเดินจงกรมกวเหมือนกันจากนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสชักปึงไปไม่มีอะไรที่จะเป็นอาจเป็นทให้ มันเป็นอย่างนั้นใจมันก่อเดือดร้อนวุ่นวายหาความสุกสงบสบายไม่ได้เราต้องต่อสู้เราต้องพิจารณาคิดดูอยู่ตลอดเวลาคือสติที่จารณาบทธรรมเรื่อยๆไปเพื่อจะไปหายใจออกไปแส่สายเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเลสเมื่ออย่างนั้นไม่ทันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น พยายามปลุกจิปลุกใจของตนให้ตื่นเพราะความตื่นจากความหลับนั้นมันจะเป็นผลเป็นประโยชน์ในการฝึกึกปฏิบัติถ้าหากเราไม่ปลุกตัวของตัวเองปล่อยให้แต่ครูอาจารย์คนอื่นตักเตือนให้ตัวของตัวไม่เตือนตัวของตัวเอง อยากจะเล่นจะเพลินอะไรก็เล่นก็เพลินไปตามเรื่องของใจที่ชอบเมื่อเวลาทุกโทษเกิดขึ้นแก่ตัวของตัวก็ไม่มีที่เกาะที่อาศัยไม่มีอะไรเป็นที่ถึงของใจพราะทุกโทษนั้นไม่มีใครที่จะช่วยได้นอกจากตัวของตัวเองที่จะช่วยตัวเองได้ทุกของกายเมื่อเวลา จแ่แกจตายมันทุกข์มากยิ่งกว่าเราทำความผากความเพียนเมื่อเราแก่ทุกข์ไม่ได้ในเมื่อเราเป็นอยู่สุขสบายเมื่อเวลาเจอมีจะตายจะไปแก่ที่ไหนกันต้องพยายามปับปรุงจิตใจท่องตัวทีนที่เจนงาต่อสู้ความทุกข์โทษต่างๆจิตใจที่เป็นทุกข์เป็นโทษ ก็เป็นอีกแง่หนึ่งสุนกายสะดวกสบายใจใจ้ดยอำนาจของความผักดันภายในคือใจไม่มีอัดทามพอเกิดทุกเกิดโทษดได้ทั้งที่กายไม่มีโรคภัยอะไรเดียดเบียนโทดทุกข์ของใจเกิดขึ้นจากอารมณ์สัญญาเกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาแทกเผาไม่ยึดมือในความเป็นอยู่ของตน หาความสุข <c oughs> นอกรยู่นอกทางนอกทำนอกวินัยคือคิดไปจะหาความสุขในแหนนแหนนี้เห็นว่าทราวาสอยากโโมเขามีความสุขความสบายอยากยูยากิอากนอยากเล่นอยากเพินอยากเล่นอยากไปที่ไหนสะดวกสบายไม่มีอะไรที่จะขัดข้องเลยไปเห็นความสุขจอมปอนส่วนนั้นว่าเป็นความสุข ความสะดวกความสบายไม่ได้คิดถึงโทษของความเป็นอยู่ของทารุณปล่อยให้สัญญาอารมณ์มันนั้นเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนจนมีกําลังกล้าสามารถที่จะลากดึงกายสึงเป็นชาเป็นเนรไปไ ด, ด้จากวัดจากวาจากศาสนาเพราะไม่รักษาจิตใจของตนจิดไปคุงไปในเรื่องนอกนอก เรื่ เ, เสียเสเขาลำบากทุกข์ยากขนาดไหนไม่ค่อยเดชํานึงคํานวณดูนี่แต่คิดในแง่สุขนี่ยสบายเนี่ ย, ยเปิดแง่เพลินว่าอยากกินก็ได้อยากเล่นอยากเพลินอะไรก็สะดวกสบายนั่นความคิดของจิตไม่ได้คิดถึงทุกข์ถึงโทษเขาลำบากยากเย็นขนาดไหนเป็นฆร า, าวาสจะโยมกว่าจะได้ที่อยู่ที่อาศัย ไปจะได้อาหารการกินเครื่องหนึ่งเครื่องหม่มมาบำารงรักษาตัวของเขามันทุกข์มันยากมันลำบากลำคาญไม่ใช่เล่นเล่นทำการทำงานแต่เช้ามืดจนค่ำกลางคืนแทนที่จะได้พักผ่อนหลับนอนหรือภาวานาหาความสงบของใจ เาก็ไม่มีโอกาสเวลากลางวันทำงานตั้งคืนก็ไปหาอยู่หาจินมบางข่างบางทีตายในป่าในน้ำก็นับไม่ทวดเพราะการไปหาอยู่หาจินมลำบากลำคาญแสนลำบากลำคาญไม่ใช่เล่นเล่นไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะหามาให้มันมีความสูกความสบายที่ไหนหาที่ใจรนาโดยอาจเดยทำจริงจัง เราทำความเพียรเพื่อจะสําราะกิเลสได้ท in. ําจริงทําจังอย่างนั้นหรือไม่เดินงโยมภาวนาได้ทํากันตลอดวันตลอดคืนหรือไม่หรือหาก่อยวันเวลาผ่านไปไม่ได้คิดคํานึงคํานวณดูทํานิดนิดหน่อยหน่อยกว่าเหนื่อยว่าเมื่อยว่าหิวเห็นหมอนเห็นเสื่อเห็นที่หลับขี่นอนเป็นความสุขความสบาย การนอนไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลของที่มีชีวิตมันก็มีการพักผ่อนเป็นธรรมดาแต่อย่าถือเอาการนอนเป็นความสุขความสุขของการนอนนั้นมันสุกนิตได้นนนหน่อยๆไม่เคยสุกดิเศษประเสริฐอะไรเพราะคุณต้เจ้าจาึงให้ให้ถือการหลับการนอนเป็นของสําคัญ หรือความภาคความเพียนละกิเลสเป็นของสําคัญเมื่อจิตใจของพวกเราท่านละกิเลสได้จะนอนขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรสิจมัส <c oughs> เป็นกิเลสตัญหาอีกนอนได้กินสบายขับถ่ายสะดวกเพราะไม่มีการละการบําเพลินนี่เรายังไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้จะไปทําแบบเล่นๆไม่เอากินเอาจงอาจงนั้นมันไม่มีวันที่จะขับไล่ เกิดกเลสตัญหาออกจากใจไปได้มีแต่กิเลสตันหาจะคือหลังนั่งคอเลื่อยไปแต่นั้นจงสอนใจองตนอย่าทำเล่นพระพุทธเจ้าท่านเลยบวชเล่นไม่ได้สอนเล่นท่านบวชจือเคือบวชเพื่อจะพปฏิบัติภาคเพียรทำลายจิตใจให้ถึงอาจถึงทํา ถึงทุกอยากลำบากยากเย็นขนาดไหนในเคยไปเคยอยู่เคยประทับบรรทมในสถานที่อย่างนั้นแต่ท่านก็ยอมเสียสละมานาทิิของใจนอนตามดินจริงตามป่าท่านในเคยมาเพราะท่านเป็นลูกของไก่สักเคยอยู่ในที่สุขสมุกสบายทุกอย่างแต่ถึงกับ น, นั้น ท่านก็ยังยอมเสียสละเพราะจะอยู่ในปราสาทาสวงังธรรมดาไม่มีโอกาสเวลาที่จะทำความผากความเพียรของใจจะพิจารณาทำละเอียดอ่อนได้เพราะเสียงในสถานที่ น, นั้นไม่มีความสงบสงัดพอสถานที่ไม่เหมาะสมให้อะไรทุกอย่างจิตใจมันไปก่อจิตคิดรึง เมื่อไปอยู่ในสถานที่เงียบสงับตั้งหน้าปฏิบัติจิตใจถึงแม้ว่าที่อยู่ที่อาศัยจะไม่หรูหรางามตาที่ประทับจะไม่สะดวกสบายที่บรรทมจะไม่ดีอย่างไรก็ตามแต่การปฏิบัติใจท่องท่านมันสะดวกไม่มีอะไรมาลบลวนมีแต่จิตใจใจคิดดึงเท่านั้น ก่อการบวชไม่ได้มุ่งความสุขจากอาลิตมุ่งความสุขจากอาจากธรรมสาหัสจิตคิดไปในเนี่ยต่างๆอย่างนั้นท่านก็หักห้ามเอาไว้เพราะความคิดอย่างนี้เคยสุขเคยสบายมาแล้วคิดเหตุปัญหามันตกไปไหมหรือมันเป็นอย่างไรท่านตอบจิตของท่านอยู่ตลอดวันตลอดเวลามุ่งหน้าคิดวิจารณ์ทำ ภายในทำใจให้ตืนจากที่เหลือตัณหาไม่ให้หลับมีการปฏิบัติของท่านท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านจึงรู้อดเห็นทำโดนมาแนะนำสั่งสอนสัรโลกพวกเราซึ่งเคยศึกษาธรรมะของท่านแต่การปฏิบัติจายใจของเราเป็นอย่างไร เป็นไปเหมือนท่านหรือไม่หรือหากเช่ยงแจ่จำคำของท่านมาพูดแต่จิตใจของตัวเป็นอย่างไรนั้นไม่ได้ตรวจตาที่เจรนาดูีิเลตต์ตังหามันจึงไม่มีเวลาที่จะหลุดตกไปได้มีแต่วันเกาะวันอาศัยมีแต่วันเพิ่มทวีคูณขึ้นไปมาบวชแทนที่จะมีจิตมีใจสงบ มีจิตมีใจเป็นอจจัดเป็นทมยิ่งเป็นเตลงเป็นนานยิ่งกว่าเป็นคัรวเพอเป็นคารวะก็ยังคิดอยากจะบวชอยากจะประพฤติปฏิบัติอัดทมหาโอกาสเวลาอยากจะภาวนายากเพราะการงานทุกด้านมันบีบบังคับตัวเมื่อได้มาบวชแล้วโอกาสเวลาที่จะไปทำการงานด้านนอกไม่มี สถานที่ก็เหมาะสมอยากจะเดิ น, นจงกรมตลอดวันก็ได้ร่มไม้มีพอาะใดถึงพาอาศัยทางจงกรมก็ไม่มีหลุน ม, มีบ่อมีหลักมีโตจะเดินขนาดไหนก็ได้มีบางท่านบางคนตลอดวันตลอดคืนไม่เคยเห็นเดินจงกรมก็มีไม่ทราบว่าทําอะไรอยู่จะวบ้านนั่งเพาะว่านะก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันมาบวชอะไรแบบนั้น มาบวชแบบนี้แบบยยีศาสนาไม่เชื่อว่าบวชเฉิดชูศาสนาบวชเฉิดทำตนพลิเลศบวชเฉิดสะสมพลิเลศสะสมตัณหาคนแบบนั้นไม่มีวันมีเวลาที่จะมีวิชาความรู้ไม่มีวันมีเวลาที่จะแก้พลิเลศตัณหาจากใจของตัวได้ทีนี้พิจารณาสอนตัว ปูกตัวไม่เคยเดินผ่านตอนเช้าเขียววัดไม่เคเขียวอะไรเขียวดูว่าใครทำอะไรแบบไหนเลยเข้าใจหลักการทำความเพียนของพระขั้วเพื่อนสูงนั้นไม่ค่อยออาถ่านบางถ่านบางคนไม่เอาจริงจริงจริงจังไม่ทราบว่ายอยู่แบบไหนเลยสลดใจในความแนะนำสั่งสอน ใน่ทราบว่าจะสั่งสอนไปทำไมสอนไปแล้วไม่เอาใจใส่ไม่ทำตามถื้สอนก็หมดความผากเทียนความเมตตากรุณาที่จะแม่สอนเพราะพวกเหล่านั้นไม่เอาใจใส่ในตัวของเขาเองจะบนทุกบนยากบนลำบากลำคาญอย่างนั้นอย่างนี้โอกาสเวลา ทจะภาวนาไนม่มีแต่โอกาสเวลาพูดคุยกันเล่นเพลินกันมีมากหลับนอนมีมากนอนมากก็กำลังกายมันก็เกิดมากยิ่เลืตัรหามันก็มีทางที่จะเหยียบย่ำทำลายพอนอนไปไม่ไดีที่จะน่ะเรื่องห้องใจห้องอัดห้องทำหลับไปมากกาลังมันมีมากมันก็คิดเปุ่งไปอย่างนั้นอย่างนี้ หาจะทางที่จะหนีจากอาจจากทำหนีจากมากจากผลเพราะจิตใจที่นอนมากกินมากใน่เลยที่เจรนาอาจทําอะไรนั้นมันไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากเรื่องของกิเลสตัญหาจากความเส่อเสียต่างๆรบกวนจิตใจ เราจะหาความสุขเพียงแค่นั้นมันไม่ใช่ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงแมสอนเป็นความสุขของสัตว์กินเหล่วนอนตื่นมาหาชินเราจะมาบวชแบบนั่นหรือบวชเป็นชาเป็นเมญ ะ, ะไม้ชิงว่าผูกไปเสตสมาณะไมายชิงว่าผูกสงบสามาเนรก็ออกจากสามานณะ คือเหล่าปอของสมณนะลูกของสมณนะซองที่เจรานามันส ง, งบแค่ไหนจิตใจของเรารเลึกซร้งๆตั้งแต่เรื่องของโลกของฟงสานถ้าในเปลืตาที่เจรานาคิดอ่านมันก็ไม่เห็นความเจือเสียต่งตางๆนย่ามันไม่เห็นกรณีทางแก้ไขนี่แต่ทุกโทษเท่านั้นมันจะเกิดขึ้น ในกายในใจตัวของตัวเองกดตำหนีตัวของตัวว่าชั่วว่าเสียไม่สมกับเพศไม่สมกับชื่อว่าเป็นถ้าเป็นเมญกรรมฐานเพราะมันได้คิดอ่านถึงการแก้ที่เละจิตใจก็ไม่ได้อยู่ใน่วงของอดของธรรมไม่อยู่ในกรรมฐานนี่จะคิดอ่านไปตแต่เรื่องโลกเรื่องนอก คนอื่นเห็นก็ไม่น่าดูที่เจรนาแล้วก็ไม่น่ากันไรเสวนเพราะเหตุใดเพราะกายเพราะใจของเรามันเป็นแบบนั้นมันมีคุณค่าสาระของอจของทำเพียงแต่ ร, รูเพียงแต่หุ่นเท่านั้นเป็น่าเป็นเนนุแต่ จ, จิตใจมันเป็นอะไรเป็นสัตว์นรกเป็นเศษเป็นอสุรกายเป็นสัตว์สิริฉาน เป็นมนุษย์บ้างเป็นบางการบางเวลาที่จะเป็นพระผู้ประเสริญนั้นหาไม่เคยเจอไม่เอยเห็นเพราะไม่มีอาจมีทมอะไรที่จะทากายทำใจของตัวให้เยอนเย็นให้สงบสุกพระหมายถึงสูกประเสิญประเสริญอย่างไรใจที่เขาคล่องจิตคิดจรงไปในเรื่องอานุตคิดจรงไปในเรื่องราคะตัณหา ท่านไใน ม, มีในจิตของพระจิตของพระประเสริฐวิเศษกว่านั้นมีอัตมีธรรมมีแติปัญญาประจําใจไขคิดแต่ทางแก่ไขละถอนกิเลสมีพระต้องประเสริฐอย่างนั้นยิ่งกว่านั้นพระไม่ไปติดล้องอะไรในเรื่องของโลกของธรรม เพราะพ้นไปจากความจิดข้องละถอนเป็นพระสมบวรแบบไม่มีอะไรที่จะหลงไหลไฝ่ฝันไม่มีอะไรที่จะละจะบัมเพลินในเรื่องของใจอยู่ฐานที่ใดเงียบส ง, งบจากความโง่ใสเงียบส ง, งบจากปัญหาของใจแบบ จะไปอย่างไรจะอยู่อย่างไรจะละจะบาเพ็ญอะไรอีกมันไม่มีจิตอะไรที่จะไปข้องจิตในความบริสุทธิ์ของท่านนั่เป็นพระที่ไปเสด็์สุดแต่พระทุกขั้นก็ต้องอาศัยมีอักมีธรรมอย่างน้อยกว่ามีความขาดความเพียรต่างหน้าต่างตาที่มิตรเจรนากรรมาฐาน คิดอ่านแต่ทางจะออกจากทุกสอนตนอยู่ทุกการทุกเวลาไม่ใช่ถึงวันมากก่าหาอยู่หาชินอินแล้วกว็หลับก็นอนตืนนอนมากกว่าหาชินไม่ใช่เป็นทานองนั้นทำหลับพระต้องประเสิฐในการละกิเลสในการ บัมเป็นสมรรถธรรมของท่านวันคืนที่ผ่านไปท่านไดส้สติได้ปัญญาเกิดขึ้นมาจากความภากความเพียรของท่านที่เราไม่จนอย่างนั้นวันไหนก็คล้องเก่าคืนไหนก็คล้องเก่าอยู่เป็นชาเป็นเนรก็คล้องเก่าอยู่เป็นฆราวาสก็ค้องเก่าเราทําขนาดนี้ถ้าเป็นฆราวาสจะพออยากพอจินไหมเพี่งแตหา เงาซับคือซับหยาบๆรับของโลกมันก่อยอดก่อยจนพอเหยียดคฟันในอดฐานในต่างหน้าต่างตาทำมาหากินแต่เรามาผากเพียงพยายามหาอริยทรัพย์คือทรัพย์ปอะเสริฐที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะมาทำเงินเล่นขนาดนี้เราก็ไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้อยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรดีอะไรเดีมีแต่เพียงจะอยู่ได้อาศัยลม หายใจออกเข้าเท่านั้นแต่จิตใจของเราเป็นอย่างไรมันไม่มีอะไรดีขึ้นมันเคยชั่วเคยเสียมาอย่างไรก่อชั่วก่อเสียอยู่อย่างนั้นนับวันทวีคูณความชั่วเสียในจิตในใจขึ้นเรื่อยไม่มีอะไรที่จะสงบสุขให้สมาธิเป็นอย่างไรความตั้งมั่นของใจมีไหมรื้อหวั่นไหวต่อสัญญาอารมณ์อยู่ ตาดูหูเลยยินมันเป็นอย่างไรจะเพื่อนถึงจิตถึงใจของตัวไหมจิตใจเตือนคิดจิดขว้องไหมตรวจตาที่เรนาไหมนี่เป็นเรื่องทุกคนจะสอนใจจะเตือนตัวไม่อย่างนั้นไม่ทันกับเรื่องของกิเลสปัญหาจะเป็นพาดเงเนินแต่ชื่อแต่เทศมันนี่มีอะไร ดีดีเศษให้จึงสอนใจของตนเวลาอาบน้ำอาบถ่าก็คุยกันเทินอยู่จนเหนือผิวของคนอื่นเวลาฉันนําร้อนนาอุ่นก็เหมือนกันแทนที่จะรีบเบล่งฉันแล้วก็รีบไปสาพเพียนพยายามโดยโยกมืภาวนาไม่คุยกันอยู่นั้นเออกรเลิกเนหาถ้ากรรมาฐานอะไรแบบนั้น ปกควรปต่ที่นี้ทเจนาถูกจาก็เหมือนกันทรงเสียงลังมีหรือคนสงบพระสงบมาหาความสงบทางกายก็ไม่รักษาทางวายใจก็ไม่ตั้งรวมทางใจก็คิดยุ่งไปในเรื่องนอกจะให้มันดีหรือเสียอย่างไรสอนใจท่องตัวตสอนเจริญนาตัวท่องตัวไม่อย่างนั้นไม่มีวัน อยู่ในวัดในว่าหมามันก็อยู่ได้ปัดเอนมันกูอยู่ได้แต่นั้นไม่มีคุณความดีอะไรที่มาอาศัยในวัดเพรมันอากจะปฏิบัติตามอาัตตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะเป็นแบบสัตว์แบบหมูแบบหมาอย่างนั้นหรือหรือเราจะเป็นธาตุเป็นเมนรแต่เราอยากเป็นธาตุเป็นเนรก็ฝากเพียพรพยายามสอนตัวของตัว ลาเสียวบำเพ็ญดีเืียนพยายามเดินจุกรมภาวานาละกิเลสม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นคิดแปล ก, แ, ปลกแต่สั่งอะไรกันกับสัตว์พยายามบำเพ็ญกระทัรรมคุณงามความดีไม่ใช่เทศเพื่อดูด่าว่ากล่าวมึ่งหน้ามึงตาอยากจะให้ทุกคนมีความสุขความสบายมีอัตมีธรรมในใจ ถ้าหากไม่มีอาจมีทำในใจแล้วมันไม่มีความสุขความสบายให้จะไปที่ไหนเรื่องกิเลสตัญหากติกตัวตามตนไปไม่มีความสุขความสบายภายในใจถ้าหากเราตั้งหน้าตั้งตาภาวนาละกิเลสเป็นชาเป็นเมนมันสุขมันสบายก็อยู่สถานที่ใด ใจคอของเรามันสงบมันตั้งมั่นหยุดเสียงเสียงลาวของโลกมันไม่อยู่อย่างไรไม่ไหวหวั่นไหวไปตามเรื่องอารมณ์ตัณยยาส่วนนั้นตั้งมั่นในอดในธรรมทีใดที่เคยปฏิบัติรู้เห็นเจนขึ้นเคยสงบยอดเย็นภายในรักษาเอาไว้จทีใดที่ฟงใสภายในใจพยายามพิจารณาแกะไข เป็นองมันตกมันหลุดออกไปใจไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่อารมณ์สัญญาหนานั้นนี่คือเป็นพระเป็นเนรที่เดินตามหล่องรอยของพระพุทธเจ้าที่แน่สอนไม่อย่างนั้นก็จะมาเกาะอาศัยแต่เพศของพระของเนรผ้าเหลือ ง, งถนนั้นให้เขากาบเขาว้ากลาบยิเลิดกาบตัญหา เขาะเลยเบือกุศลจากที่ไหนเพราะเรามีบือนมีนนกุศลไม่มีความสุขความสงบของใจไม่มีอาจมีธรรมในใจไม่ละอายเขาหรือสอนตัวเพื่อปลุกตัวให้ตืนจากความหลงไหลความมักง่ายความเหยียดค้านต่างๆตัณหาสัจจะปฏิบัติตามอาัตนิธรรมที่พระพุทธเจ้าสอน ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันนะอย่าไปคิดว่าอยู่ไปอยู่ไปสิเหลือปัญหามันจะตกไปในช่องประพฤติปฏิบัติอาจทำอะไรมันก็จะดีจะยิ่เสียให้เพรอยู่ในวัดในว่าดูไหมเสียเป็นพาเป็นเมล์มันเป็นไปไม่ได้หากันเป็นไปได้ไดถ้เมลสอนเดี๋ยวประพฤติปฏิบัติพยายาม สอนตัวพยายามฝูกตัวจะไปเถเื่อนเผิอมัวเม า, ามเป็นความเร่ น, นความเพลินเป็นของสําคัญยิ่งกว่าการปรฤปฏิบั ต, ต, ติยิ่งกว่าการเดินจงกรมภาวนา <c oughs> หากไม่ได้คิดไม่ได้จึงอย่างนั้นปล่อยวันปล่อยคืนไปให้หมดมันก็หมดไปเราจะทําดีทําชั่ววันคืนมันไม่คอย เราจะนอนอยู่เฉยๆมันก็หมดไปนั่งอยู่นี่มันก็หมดไปมันไม่หมดไปแต่วันแต่คืนนะอายุมันก็มากขึ้นทางหน้าก็น้อยเข้ามาในสาบว่าวันไหนมันจะถึงความตายเข้าดี๋ยวเรามีอะไรเป็นผลเป็นกำไรในการบวชการเกิดของเราให้มันพิจารณามันศึกษาตั้งหน้าตั้งตาทําความเพีย พอโอกาสเวลานาทีไม่มีอย่างอื่นเขาไม่ไบังคับบัญชาให้ไปทําการทํางานอะไรทางราช ก, การงานเมืองเขาก็ไม่ได้ใช่อะไรเราให้ไปทําอันนั้นให้ไปทําอันนี้ทางหมู่บ้านที่เขาให้ขชาวปาอาหารเขาก็ไม่ทวงไหวกินของฉันแล้วฉันของ ขาแล้วจะต้องคิดหนุน่าอย่างนั้นอย่างนี้ที่อยู่ที่อาศัยก็เมือนกันเขาให้เขาเสาะหาเขาบูช า, า, าว่าพวกเรามาประพฤติปฏิบัติมีอัตมีธรรมแต่เราเป็นอย่างนั้นไหมถ้ า, าเราไม่เต็มก็ควรสอนใจขอรงตัวให้ละอายชั่วตั้งหน้าต่า ง, า ต, างาาตาไปพฤตศปฏิบัติภาวะนาะ มันไม่เหลือวิสยัยสิ่งอื่นที่มันคิดมันตรงมันทำไมไม่คิดปรนงได้ทั้งช่างที่ครูอาจารย์หรือทำนี่นายหน่นี้สอนมันทำไมฉลาดคิดอ่านไปได้แต่การจะแก้ไขจิตใจของตัวให้ดีให้ถูกต้องไปตามอาจตามทำนั้นมันทำไมจะเหลือวิสยัย หาจะเชื à, ่อเรื à, án, á, ่องของกิเลสแล้วมันไม่มีโอกาสเวลาไม่ว่าอยู่ป่าไม่ว่าอยู่บ้างไม่ว่าอยู่สถานที่ใดไม่ว่าหน้าพรรษาหนกพรรษาโอกาสเวลามันไม่มีทานั้นเพราะกิเลสมันไม่ให้ตอนเช้าก่มาบกว่าตอนบ่ายเยอะก่อนตอนบ่ายกลัวตอนตลางคืนเยอะก่อนมันไม่มีโอกาสเวลาที่จะเดินจะกรมภาวนาที่จะละกิเลส แต่การพูดคุยการเล่นเพินการหลับนอนเวลามันมากพอกิเลสมันชอบแต่จ ะ, จะทำความดีมันขัดมันขวางเอาไว้มาให้ทำอะไรเท่านั้นถ้าเราจะเชื่อเรื่องของมันมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องของมั น, มนจะเชื่อเรื่องของอัด้องทำแล้วจะต้องต่อสู้ ถึงมันที่เกียดไม่อยากแต่ทําบําเพ็ญเราก็บังคับมันมันคิดอยากพูดอยากคุยเราก็ไม่เห็นมันพูดมันคุยมันคิดอยากเล่นอยากเชิญเราก็ห้ามเอาไว้เพราะสติของเรามีปัญญาของเราเพราสติจะแหนะสอนตัวได้ไม่เช่อว่าเรา ม, มีอะไรเรามีอยู่ข้อมูลบริบูรณ์แต่เราจะนํามาให้เป็นประโยชน์แต่ตัวของตัวนั้น มันอยู่ที่ตัวของตัวจะสอนตัวของตัวนี่จะคนอื่นจะมาสร้างให้ทําให้ถ้าคนอื่นสร้างให้ทําให้ได้สําเร็จพระพุทธเจ้าก่อบำเพ็ญบรารมีมาเพื่อจะลือ้อถอนสัตว์ออกจากโลกท่านก็เอาไปหมดใหนบำเพ็ญได้ท่านก็จะแจกจ่ายให้คนอื่นให้เรศุขให้สรบายคนจากทุกจากโทษไปหมด นี่ท่านบำเพ็ญมาก็เพื่อความตัดสู้ของพระ อ, องค์อยู่แล้วก่อมาแนะสอนคนอื่นโดยหน่ยคิดมูลค่าอะไรตอบแทนแต่คนอื่นจะพิจารณาตามทำตามนั้นเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนกันกันกบท่านเป็นพอบครัวทำอาหารการกินต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่คนที่มาทานนั้นไม่ยอมทานอาหารที่ท่านปรุงเอาไว้ พอไม่มีความอิ่มหนำสำาราญอะไรอาหารก็เป็นประโยชน์สําหรับคนนั้นนั้นแต่คนใดทิ่ทานอาหารที่ท่านบุกครัวทาให้คนนั้นก็จะอิ่มหนำสารานฉันใดทําคําสอนของพุทธเจ้าของฉันนั้นไม่มีอะไรแตกแตกต่างกันพวกเราท่านเคยศึกษาอาจทำมาแต่มาเด็ดปฏิบัติ ด้านจิตใจให้เป็นไปอย่างนั้นจิตใจจึงเลงไหลใฝ่ฝันจึงเพลิเพลินมัวเมาไปในเรื่องผี่พระพุทธเจ้าห้าวถ้าเป็นคนเมืองที่ในตัวพึ่งปฏิบัติตามกฎหมายเขาเกินกว่าค น, น, น, น, น, น, นเมืองเหละเมืองเหอนั้นไม่ใช่คนเมืองดีถ้าเนื้อผิดในปฏิบัติตามธรรมด้วยนตามธรรสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทำนองเดียวกันไม่ใช่พระไม่ใช่เมณพูดที่จะรักษาพระธรรมวินัยพูดที่จะเฉิดฉาเรื่องของศาสนานอกจากจะเหยียวย่าทําลายเท่านั้นเราปรารถนาไหมความหมดีอย่างนั้นหากเป็นเราสอนคนอื่นเป็นครูสอนเขานักเรียนไม่เอาทานสอนอันนี้สอนอันนั้น แต่เขาก็ไม่มีเอาอะไรกันเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเต่าหลี้หลานไม่เอาฐานไม่ทำการทํางานอะไรนี่แต่มาเบียเดเรียนพ่อแม่คุยรีบพ่อแม่แค่กระดูพ่อแม่อยู่อย่างนั้นชอบไหมนีม่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราโดยพระเมตตาหวังดีทุกทุนน้าอยากจะให้ทุกคน ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเราเห็นอกเขียใจเห็นพระไตรทุ่งทานไหมท่าที่ท่านอุตษาสอนให้โดยไม่คิดมงินค่าราคาอะไรแล้วเราตั้งใจปฏิบัติบูบชาท่านอย่างที่ท่านสอนหรือไม่หรือปล่อยกายอายใจใจไหลไปตามเรื่องของกิเลสที่ท่านห้ามไม่เหตุทาแต่เราฝา่าฝืนขืนทาไปไม่ละอายหรือ มิที่เจนาหาหลักฐานสอนใจของตัวไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นอาจเห็นทำให้จะปล่อยใจไหลไปตามวิเลี่ยนปัญหาลอยโลกด้วยไปเกิดแจเ็เจ็บตายดอวยไปไม่มีวันเวลาที่จะข้ามสังสารวัตนี่ไปจะติดข้องหมุนเวียนอยู่ตลอดการตลอดเวลา เพาะชื่อเรื่องของกิเลสตันหาถือความผาคความเพียรเป็นของเล่นแต่กิเลสตันหะในในเป็นของเล่นอย่างนั้นมันหมุนเวียนจิตใจของเราให้ปั่นป่วนทุกร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแต่ความเพียรของใจทํำจนเล่นเล่นมันจึงไม่เห็นหนูจึงไม่มีกําลังที่จะต่อสู้ ทับไล่กิเลสตัณหาได้พากันพยายามสอนตัวผักเพียนปฏิบัติเพราะระยะนี้เรย่องพันษาผ่านมาก็มากกว่ายังอยู่ข้างหน้าไม่ทราบว่าในพันษานี้เราจะมีคุณความดีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเราทำแบบนี้คุณความดี ที่ผ่านมาแล้วเป็นอย่างไรเราเดีนี้ที่เจรนาไหมใบใจของเราแต่เขาพรรษามานี้มีอะไรดีขึ้นวันคืนที่ผ่านไปตั้งเดือนเศษแล้วยังเหลืออยู่ข้างหน้าถ้าหากเราในตางนาต่าง้าปฏิบัติเราจะปล่อยวันคืนให้ผ่านไปอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่เจ็นเป็นคุณค่าสาระในจิตในใจของเราอีก พอที่ผ่านมามากกว่ายังอยู่ข้างหน้าก็ยังไม่มีอะไรเป็นคุณค่าสาระให้ยังอยู่ข้างหน้ า, น ถ, า, า, า, นาถ้ารลอ ย, ยจิตใจลอยลมไปอย่างเก่ามันก็เงมือนเดิมไม่มีอะไรที่ดีให้ต้องสอนใจของตนทุกคนมาบวชมาบวชเดี๋ยศรัทธาไม่ใช่ว่าทางพ่อแม่บางท่บาบัญชาหรือทางบ้านเมืองเขาขับไล่เรามาบวช เรามาบวชเดยศรัทธาหรือความเชื่อในเรื่องของศาสนาเมื่อเรามาบวชแล้วเราไลยทำตามความเชื่อของเราหรือไม่รือบวชแต่เพียงบวชเท่านั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้ามันเป็นบุญเป็นกุศลใจของเราเป็นทุกข์หรือไม่มันสุขมันสบายหรือไม่สุขเพราะการหลับการนอนการกินการอยู่สาตร์ันก็สุขได้ ถูกเพราะการละทีเลตตัญหาเพราะความสงบจากสัญญาอารมณ์นั้นมันจนไปไหมต้องสวดตาที่จะนาใจของตัวในอย่างนั้นมันก็ไม่มีวันที่จะตื่นได้มีแต่จะหลับเรื่อยไปคนหลับมันรักษาอะไรไม่ได้สมบัติภัฒสถาน หรืวมีปืนมีกระบอกอยู่ข้างตัวของมันเมื่อมันหลับอยู่มันก็เลมมีอะไรที่จะเตือนขึ้นต่อสู้โดนมัมันก็หยิบเอาไปได้ฆ่าซึ่งมันก็ฆ่าได้ถ้าคนเตือนอยู่ไม่ต้องหาปืนฮะมีดอะไรเตือนมันนั่นก็กลัวเพราะมันเตือนอยู่ไม่ทราบว่ามันจะมาแบบไหนมีใจของเราถือเตือน อยู่ด้วยสติด้วยปัญญาที่เจริญนาปัญญาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านมาจากข้างในข้างนอกเราก็ทราบว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่ผิดอันนี้มันเป็นอารมณ์ที่ถูกเราทราบเดือดคัดจะหาเอาได้พอเราเตือนดูเหมือ น, นกัคนเตือนดูหรู้คนผีผ่านมามาดีมาชั่วคนต่อนรับหรือ เป็นยิ่งเฉยมันก็ทราบมีจิตใจของคนตื่น้ดยสติ้ดยปัญญาก็ทำนองเดียวกันอารมณ์อะไรไหลเข้ามาสู่ใจทราบพอมีสติสติคือความตื่นรู้อยู่ทั่วทันอยู่สมเสมอพยายามจะทำบำเพ็ญในอย่างนั้นบันคืน หรือชีวิตจะเป็นหมันไม่มีอะไรที่เป็นฝ่ายดีจะเกิดขึ้นเราก็เป็นโมฆะเป็นพระเป็นเนรจชื่อแต่จิตใจไม่มีอะไรดีดีเสีให้ต้องปลูกใจของตัวจะททำบาเพ็ญเอาจริงเอาจังใน ความผ่ากความเพียรเดีย๋ยวปล่อยให้วันคืนผ่านไปเปล่าพยายามเอาคุณงามความดีจากวันคืนเดือนปีที่ผ่านไปศึกษาปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ได้เมื่อต่าง่าตต่างคนสนใจและสอนสนอย่างนั้น ต่างนาต่างตาภาวนาละกิเลสความสุขความสบายที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นจะเป็นสมบัติของเราความสุขอะไรอื่นนอกเหนือไปจากความสุขสของจิตของใจที่ละกิเลสจันหาได้ไม่มีในโลกมีความสุขละเสรดตาย ยังเป็นอยู่ก็ไม่มีความห ว, วั่นไหวเรกรงกลัวอะไรเพราะใจบริสุทธจงพากันพยายามฝึกหัดปฏิบัติเพราะโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่เดือดเดียนมูพวกข่วนสูงที่จะลบคกวนจิตใจให้ได้รับ <c oughs> ทุกข์ทว ต, ต่างๆก็ไม่มีนอกจากสัญญาอารมณ์ของตัว โทษนั้นเราต้องต่อสู้ต่อพิมพ์พิจนาะต่อชำระมันสิ่งใดที่เป็นโทษเป็นทุกข์อย่าไปติตตามเกี่ยวข้องส่วนใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะทำจิตของตนให้พ้นจากโทษจากทุกข์พยายามฝึกหัดปฏิบัติไปเมื่อทุกคนตั้งใจอย่างนั้นความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นแก่ทุกท่าน การอธิบายธรรมะเขียนว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแ ค, ค, ค่นี้